สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่31ิข้อ13บจนถึงข้อที่18ครับทั้งหมดมีอยู่6ข้อด้วยกันสุภาษิตบทที่31ิข้อ13บจนถึงข้อที่18ครับโปรดฟังพระวจะนะของพระเจ้าเธอแสวงขนแกะและป่านและทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจ เธอเป็นเหมือนกำปั่นของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ที่ไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่อย่างมืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอเธอพิเคราะห์ดูไรนาและก็ซื้อไว้ด้วยผลน้ำมือของเธอเธอปลูกสวนองุ่นเธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและกระทาให้แขนของเธอเข้มแข็ง เธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรกลางคืนแต่เกียงของเธอก็ไม่ดับผมอยากจะให้หัวข้อในเช้าวันนี้ว่าภรรยาที่เต็มใจและเข้มแข็ ง, งพระคัมภีร์หข้อนี้แบ่งเป็นสองตอนใหญ่ๆครับตอนแรกนั้นอยู่ในข้อที่13 14 15และตอนที่สองอยู่ในข้อที่16 17 18 ข้อ1 3ถึงนั้นได้แสดงถึงความเต็มใจความเต็มใจของภรรยาที่ดีที่สูงส่งที่งดงามด้วยความดีนั้นเธอเต็มใจในการทำสิ่งที่ยากและสิ่งที่ยุ่งครับเต็มใจในทำสิ่งที่ยากคืออะไรครับในข้อ13บอกว่าเธอสแสวงขนแกะและป่านทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนกำปั่นของพ่อค้าเธอนาอาหารมาจากที่ที่ไกลพี่น้องครับ ความเต็มใจในการทำสิ่งที่ยากก็คืออะไรครับการที่จะเป็นผู้หญิงที่ productive ก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่สร้างงานเป็นผู้หญิงที่สร้างผลิตผลและลงทุนลงแรงมีความวิริยะอุตสาหะทำงานด้วยความเต็มใจหาขนแกะและป่านเธอหาสินค้ามาจากที่ไกลครับเธออาอาหารมาจากที่ไกลมาเลี้ยงดูลูกๆมาเลี้ยงดูสามีและครอบครัวของเธอนี่แหละครับ คืองานที่ยากและยุ่งในกันเรียวกันครับในข้อ15เธอลุกขึ้นแต่เช้ามืดจัดหาอาหารในครัวเรือนของเธอจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอคําว่าเต็มใจทําสิ่งที่ยากและยุ่งมนหนำซ้ำํามากไปกว่านั้นอีกครับเธอยังทํางานที่อาจจะเรียกว่าน่าเบือ่อและเป็นงานรูทีนรูทีนคืออะไรครับก็คือต้องลุกขึ้นแต่เช้ามืดต้องจัดหาอาหาร อันนี้อาจจะเป็นงานที่น่าเบื่อนะครับสําหรับผู้หญิงบางคนเพราะอะไรครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องมาเป็นคนบริการให้กับลูกให้กับสามีด้วยมีสาวใช้อยู่แล้วให้สาวใช้ทําเธอแต่ในข้อที่15บอกว่าอะไรครับเธอจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอนั่นหมายความว่าเธอเป็นผู้จัดการที่ดีครับเป็นผู้ที่จัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอให้เรียบร้อย จัดอาหารให้แก่ครัวเรือนของเธอให้เรียบร้อยและตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังเช้ามืด น, นั่นคือ Industrious คือความขยนันแข็งแข็งครับนอกจากเธอจะเป็นคนที่สร้างผลงานสร้างผลิตผลให้กับครอบครัวเธอยังเป็นคนที่เต็มใจทำด้วยความเข้มแข็งอดทนวิิยอุตสาหะพี่น้องครับนี่คือปรรยาในอุดมคติเลยครับ เป็นภรรยาที่งดงามด้วยความดีความขยันเป็นภรรยาที่สามารถนำความชื่นใจนำความปลอดภัยนำการอิ่มท้องมาถึงครอบครัวของเธอความยินดีเต็มใจนั้นทาให้สุภาพสตรีหรือผู้หญิงหรือแม้กระทั่งภรรยาหรือแม้กระทั่งทุกๆคนนะครับมีคุณค่างดงามไปด้วยความดีความเต็มใจที่สำคัญครับพี่น้องครับ ผมอยากจะบอกว่าพวกเรานั้นหากมีความเต็มใจในการทำความดีให้กับกันและกันเต็มใจในการที่เราจะสร้างคุณค่ามอบสิ่งที่ดีๆให้กับกันและกันนั่นเป็นความงดงามสุดบรรยายครับพี่น้องสุภาพสตรีหรือภรรยาที่ดีในข้อ13บอกว่าเธอทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยความเต็มใจขนแกะ และป่านสะท้อนถึงการทามาค้าขายหรือเป็นกิจการการทอผ้าเล็กๆในครอบครัวครับด้วยความขยันแขน็ง ข, ของเธอด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจของเธอก็เปิดเผยความเรียกว่าแรงจูงใจในแง่บวกของเธอแทนที่จะใช้อะไรก็ตามที่สะดวกเธอกับใช้ของที่มีค่ามีราคาเธอใช้จ่ายอย่างฉลาดครับเพื่อที่จะซื้อ วัตถุดิบที่ดีที่สุดที่เธอสามารถซื้อได้เธอเห็นความจําเป็นในด้านของที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มในครอบครัวพี่น้องครับเธอเสียสละตัวเองครับและเธอเต็มใจที่ทําอย่างนั้นนี่คือยอดภรรยาหรือสีภรยามารดาตัวอย่างจริงๆครับภรรยาที่ดีเช่นนี้ก็ทําการซื้อขายด้วยครับในข้อที่14 เธอเป็นเหมือนกำปั่นของพ่อค้าเธอซื้อขายเธอทำธุรกิจครับเธอนำสินค้าที่แปล ก, ปลกใหม่ใหม่ที่น่าสนใจมาจากที่อื่นและไม่เพียงแต่นำมาค้าขายเท่านั้นแต่เธอก็ยังนำสิ่งแปล ก, ปลกใหม่ใหม่ที่น่าสนใจอาหารที่มีรสชาติอร่อยที่มาจากแดนไกลเธอก็เอามาฝากสามีและฝากลูกที่บ้านเช่นเดียวกันและแม้ว่าเธอจะมีคนช่วยเหลือใงานบ้านนะครับในข้อที่15เธอเองก็ลุกขึ้นแต่เช้า เธอไม่ใช่เป็นพวกสลิปปี้เฮดครับก็คือพวกที่ง่วงเหงาเหานอนแต่เธอลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะทํากิจของเธอทํางานของเธอทําหน้าที่ความรับผิดชอบของเธออย่างไม่ขาดตกบกพร่องประกำพีกาวว่าเธอลุกขึ้นแต่เช้ามืดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเพื่อจะช่วยเตรียมอาหารเช้าและอาหารมื้ออื่นให้กับคนในครอบครัวและแจกจ่ายงานให้กับคนรับใช้ของเธอด้วยความเรียบร้อย พอมาถึงตอนที่2ครับความเข้มแข็งของเธอในแง่อะไรครับเธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็ซื้อไว้เธอมีสติปัญญาที่เข้มแข็งครับเธอรู้จักวิเคราะห์เธอรู้จักหากําไรในไร่นาเธอรู้จักลงทุนในเรื่องของสังหาริมาทรัพย์เธอรู้จักทําธุรกิจและด้วยผลของน้ํามือของเธอเธอก็ปลูกสวนอนุ่นถามว่าความเข้มแข็งอยู่ที่ไหนครับคือความแข็งแรงของเธอคือทําเองด้วย แล้วก็ใช้หัวสมองด้วยนะครับในข้อ17บอกว่าเธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและทําให้แขนของเธอเข้มแข็งนั่นหมายความว่าเป็นภาพของความพร้อมครับพร้อมในเรื่องของสุขภาพพร้อมในเรื่องของกําลังใจพร้อมในเรื่องของความเข้มแข็งและข้อ18บอกว่าเธอรู้ว่าสินค้าของเธอได้กําไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับพี่น้องครับนี่คือยอดภรยาจริงๆครับ ภรรยาที่มีสมองภรรยาที่มีร่างกายที่แข็งแรงภรรยาที่มีกำลังใจที่เข้มแข็งนี่มันทั้งสามอย่างเลยนะครับคือทั้งสติปัญญาทั้งอารมณ์ความรู้สึกและทั้งสุขภาพร่างกายที่ดีนี่แหละครับคือความเข้มแข็งเข้มแข็งทางสติปัญญาเข้มแข็งทางด้านร่างกายและเข้มแข็งทางด้านอารมณ์ด้วยพี่น้องครับพัฒนธรรมทางตะวันออกกลางนะครับชัดเจนมากคือเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่สีเรือนครับ เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ปลายใจกวักจะปลายจะวะักเธอประหยัดเธอเพิ่มรายได้ของสามีของเธอเธอหารายได้เสริมครับเธอเป็นความเป็นไปได้เป็นความหวังของครอบครัวครับสามีและภรรยาควรจะตกลงกันใช่ไหมครับว่าใครจะทำอะไรแต่เธอช่วยทําและรับทําหมดแทบจะทุกอย่างเลยครับผู้หญิงแบบนี้นะครับ เป็นผู้หญิงที่เหมาะสมที่จะเป็นแม่ของลูกของเราเธอเข้าหางานของเธอด้วยความตั้งใจด้วยความพร้อมและด้วยกำลังทั้งกำลังกายและกำลังใจครับเธอรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการนับถือตัวเองเธอให้เกียรติตัวเองเพื่อที่สามีและลูกของเธอจะให้เกียรติเธอครับเธอพร้อมที่จะทำงานหนักและเธอก็พร้อมที่จะรับผลของการทางานหนักนั้นก็คือความสาเร็จ ความพึงพอใจของลูกและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวของเธอพอพูดมาถึงตรงนี้ครับพี่น้องครับหลายหลายคนก็อาจจะมีคำถามว่าเอและผมแต่งงานแล้วภรรยาผมไม่ได้เป็นเช่นที่ว่านี้ผมควรจะทำอย่างไรดีผมขออนุ ญ, ญาตแนะนำพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นสามีว่าขออธิษฐานเผื่อภรรยาของท่านครับเมื่อเราอธิษฐานเผื่อภรรยาของเราพี่น้องครับตัวเรานั้นจะเปลี่ยน และภรรยาของเราจะเปลี่ยนเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทําให้เราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเข้าหากันและกันจูนเข้าความถี่เดียวกันและในที่สุดชีวิตของเราและครอบครัวของเรานั้นก็จะประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมายปรารถนาที่เราตั้งไว้และอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าครับพี่น้องครับความจําเป็นที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อคู่สมรสของเราท่านจําเป็นมากครับ เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้รับพระพรของพระเจ้าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ครับในช่วงทุกวัยทุกอายุของคู่สมรสฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะปรารถนาะที่จะมีภรรยามีสามีที่ดีในขณะเดียวกันครับเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แต่พระเจ้าเปลี่ยนได้ครับและตัวเองก็เปลี่ยนก่อนเมื่อเปลี่ยนก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลดับ ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกเราทั้งหลายมีครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรทุกๆครอบครัวต่อไปผมอยากจะเป็นพยานนิดหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปในงานไว้อาลัยของพี่น้องท่านหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่ได้พบกับญาติของพี่น้องท่านนั้นและได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับสมาชิกใ น, นกิตจักรนั้นทาให้ผมรู้ว่า สิ่งที่ผมได้ส่งเสียงสิจิพิบาลให้กับพี่น้องนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับหลายหลาคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาก็ได้ฟังทุกวันสำหรับหลายหลายท่านที่เป็นแม่บ้านอยู่ก็ให้กำลังใจผมครับว่าสุดยอดขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆอย่างนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานให้ผมมีกำลังมีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้า ให้โอกาสที่จะรับใช้พี่น้องด้วยพระเจ้ของพระเจ้านั่นเป็นสิทธิพิเศษที่ผมซาบซึ้งในประคุณของพระเจ้าและขอถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดครับขอพระเจ้าอวยพ ร, พ, รพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน